สิกขาบทวิพังสองร้ที่ชื่อว่าฉันคณะโภชนะคือภิกษุสี่รูปที่เขานิมนต์ด้วยโภชนะห้าอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วไปฉันนี้ชื่อว่าฉันคณะโภชนะคําว่านอกสมัยคือยกเว้นสมัยที่ชื่อว่าสมัยที่เป็นไข้คือที่สุดแม้กระทั่งเท้าแตกภิกษุคิดว่าเป็นสมัยที่เป็นไข้พึงฉันได้ที่ชื่อว่าสมัยที่ถวายจีวรคือ เมื่อยังไม่ได้กรันกฐินกําหนดเอาเดือนสุดท้ายแห่งฤดูฝนเมื่อกรันกฐินแล้วมีกําหนดเวลาหเดือนพิกสุคิดว่าเป็นสมัยที่ถวายจีวรนพึงฉันได้ที่ชื่อว่าสมัยที่ทําจีวอคือเมื่อพิกษุกําลังทําจีวรภิกษุคิดว่าเป็นสมัยที่ทําจีวรพึงฉันได้ที่ชื่อว่าสมัยที่เดินทางไกลคือภิกษุคิดว่าเราจะเดินทางครึ่งโยตพึงฉันได้เมื่อพิกษุนั้นไปพึงฉันได้ กลับมาถึงแล้วพึงฉันได้ที่ชื่อว่าสมัยที่โดยสารเรือคือภิกษุคิดว่าเราจะโดยสารเรือพึงฉันได้เมื่อภิกษุนั้นโดยสารไปพึงฉันได้ขากลับพึงฉันได้ที่ชื่อว่ามหาสมัยคือคราวภิกษุสองสรูปเที่ยวบินธบาตพอเลี้ยงกันเมื่อมีภิกษุรูปที่สี่มารวมด้วยไม่พอเลี้ยงกันภิกษุคิดว่าเป็นมหาสมัยพึงฉันได้ ที่ชื่อว่าสมัยที่เป็นพัทหารของสมณะคือในคราวมีปริพาชกจัดพัทหารถวายภิกษุคิดว่าเป็นสมัยที่เป็นพัทหารของสมณะพึงฉันได้ภิกษุรับด้วยคิดว่าจะฉันนอกสมัยต้องอบัตทุกกฎฉันต้องอบัดปาจิตตีทุกๆคำกลืน